บทที่11งานก่อสร้างบ้านและอาคารในโลกทิพย์ในโลกทิพย์ของเรานอกจากจะมีภูเขาลำนาวใครอันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วยังมีสิ่งก่อสร้างเช่นโบสถ์วิหารและตึกรามเพื่อประโยชน์ต่างๆกันอยู่อีกไม่น้อยแต่ถ้าว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั้นมีความแตกต่าง ก, กันกับสิ่งก่อสร้างในโลกมนุษย์อยู่มากคือ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 ไม่มีใครคิดเช่นนั้นเลยเพราะว่าเขาเหล่านั้นจะต้องมาอยู่กับเราชาวโลกมนุษย์ส่งเข้ามาอยู่กับเรายัางไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นแต่เราชาวโลกทิพย์ไม่อาจทําเช่นนั้นได้และเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องคอยดูแลเขาต่อไปในโลกทิพย์ไม่มีการโยนกลองหรือปัดความรับผิดชอบของตนไปให้แก่ผู้อื่นเลย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 เมื่อท่านผู้เป็นหัวหน้าแห่งภูมิได้ทราบความประสงค์และเห็นว่าเป็นสิ่งสมควรเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเช่นนี้ก็จะอนุญาตให้กระทำได้แล้วท่านก็จะรายงานเรื่องนี้ต่อขึ้นไปอย่างผู้ที่อยู่เหนือท่านในชั้นสูงขึ้นไปอีกต่อหนึ่งต่อจากนั้นท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปก็จะรายงานให้ท่านผู้อยู่สูงขึ้นไปอีกต่อหนึ่งทราบเรื่องอีกครั้งหนึ่งโดยลำดับชั้นเช่นนี้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 ไม่มีร่างร้านไม่มีอิฐไม่มีปูนซีเมนต์และไม่มีอะไรๆ อ, อีกหลายร้อยหลายพันอย่างซึ่งเป็นของจําเป็นสําหรับการกอร่อสร้างในโลกมนุษย์ในที่นี้สิ่งที่ต้องการมีเพียงอย่างเดียวคือพลังจิต ท, ที่กล้าแข็งพอที่จะเนรมิตสิ่งที่ต้องการออกมาได้เท่านั้นไม่ต้องสงสัยว่าข้าพเจ้าและรูทจะตื่นเต้นสักเพียงใดในการกอร่อสร้างแบบที่เราไม่เคยคิดฝันมาก่อนเช่นนี้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 และของในช่างต่างๆที่เข้าแถวอยู่เบื้องหลังท่านขณะนี้ในตาของผู้ดูทุกท่านซึ่งมีผู้ที่เพิ่งเคยเห็นการก่อสร้างในครั้งนี้เป็นครั้งแรกอยู่มากเหมือนกันได้เพ่งไปจับอยู่ที่ว่างดังกล่าวแล้วเป็นจุดเดียวกันและในทันใดนั่นเองเราก็ได้เห็นลำแสงอีกลำหนึ่งพุ่งออกมาจากท่านหัวหน้าและในช่างทั้งหมดลงไปยังที่ว่างนั้นและไปรวมตัวเป็นแสงเรือง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 ถ้าจะพูดตามสำนวนชาวโลกมนุษย์จะว่าเป็นเหมือนกับเงาของตึกก็ได้การก่อสร้างได้หยุดเพียงระยะนี้ก่อนชั่วคราวโดยบรรดาในช่างได้พากันเข้าไปเดินสำรวจ ด, ดูทั้งภายนอกและภายในอย่างใกล้ชิดเพื่อจะตรวจ ด, ดูว่ามีสัสดส่วนหรือลวดลายตอนใดที่ยังบกพร่องอยู่บ้างจะได้ช่วยกันแก้ไขเพิ่มเติมในตอนนี้ซึ่งเป็นขั้นที่ยังไม่เป็นวัตถุแท้จริงการแก้ไขเพิ่มเติม จึงทำได้ง่ายกว่าที่จะกระทําในขั้นสุดท้ายเมื่อลําแสงได้กลายเป็นวัตถุไปเสียแล้วเรารอกันอยู่พักหนึ่งก็ได้เห็นนายช่างทั้งหมดเดินออกมารายงานกับท่านหัวหน้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเป็นนั้นว่างานก่อสร้างขั้นสองก็เริ่มดําเนินต่อไปได้พอมาถึงขั้นนี้ลําแสงที่พุ่งเป็นแนวดิ่งลงมาอย่างท่านหัวหน้าและนายช่างก่อสร้างปรากฏว่า มีความเข้มข้นและสุกสว่างยิ่งกว่าเดิมอีกมากและต่อมาอีกประมาณสองสนาทีลำแสงที่พุ่งเป็นแนวนอนออกจากท่านหัวหน้าและนายช่างก็ทวีความสุกสว่างและแรงกล้าขึ้นในทํานองเดียวกันขณะนี้พวกเราก็ได้สังเกตเห็นว่ากลุ่มหมอกแสงซึ่งเป็นรูปตึกเพียงเงาเงาอยู่แต่เดิมนั้นได้เริ่มรวมตัวทวีความเข้มข้นเข้าจนชักจะมีภาวะเป็นวัตถุแข็งยิ่งขึ้นทุกที ในขณะที่กระแสะความคิดของจิตทุกดวงเพ่งตรงไปยังเงาตึกนั้นทำให้อำนาจแห่งการเนรมิตมีพลังกล้าเพิ่มขึ้นโดยไม่ขาดสายตอนนี้เองที่เราได้เริ่มเห็นความสำคัญของท่านหัวหน้าของเราได้เป็นอย่างดีท่านทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้จ่ายพลังแม่เหล็กที่ได้รับจากลําแสงที่พุ่งลงมายัางท่านให้บรรดานายช่างทั้งปวงเพราะว่าลาแสงที่เป็นแนวนอนพุ่งจากตัวท่านไปสู่นายช่างแต่ละคนเป็นลายาว มีสีและความเข้มข้นแตกต่างกันไปแต่ละนายบรรดาในช่างทั้งหลายต่างพากันใช้กระแสจิตหรือพลังสมาธิรวมกันอย่างแรงกล้าและสิ่งที่เราเห็นเป็นเงาของตึกเมื่อครู่หนึ่งที่เล้ามาก็ปรากฏเป็นวัตถุเข้มแข็งยิ่งขึ้นจนเห็นได้ชัดต่อมาอีกพักหนึ่งรูปร่างกันได้ส่วนสะสมบู์ของตึกที่เป็นวัตถุแข็งจริงก็ปรากฏตั้งตรงงานอยู่เบื้องหน้าพวกเรา และจากนั้นลําแสง ท, งทั้งที่พุ่งลงมาเป็นแนวดิ่งและออกไปเป็นแนวนอนก็หายไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเราที่เคยเห็นงานก่อสร้างหรือเนรมิตครั้งแรกนี้จะตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจเพียงใดมันเป็นเรื่องที่เกือบจะคิดว่าฝันไปแท้ทีเดียวเราทั้งหมดที่เคยเห็นเป็นครั้งแรกปรู้กันเข้าไปดูด้วยใกล้ชิดอย่างไม่ค่อยจะเชื่อสายตาตนเองเราเอื้อมมือไปลูบคลําไปทั่วบริเวณ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราได้เห็นเกิดขึ้นจากความไม่มีอะไรเลยนี้เป็นวัตถุที่เข้มแข็งยังแท้จริงอย่างไม่ลวงตาและหลังจากลูกคล้ำแล้วลูกคล้ำอีกจนเกือบทั่วบริเวณในที่สุดเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นตึกที่แท้จริงเป็นตึกที่ไม่ใช่ภาพลวงตาแต่ประการใดเลยจิตที่รวมกันเป็นพลังสมาธิจึงมีอานาจมหัศจัรย์อะไรเช่นนี้ การก่อสร้างบ้านส่วนตัวงานก่อสร้างบ้านส่วนตัวของบุคคลในโลกทิพย์มีเรื่องแตกต่างกั น, ก, นกับที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วเพียงเล็กน้อยคือในขั้นแรกผู้เป็นเจ้าของบ้านนั้นจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้ครองบ้านเช่นนั้นเสียก่อนซึ่งทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับการครองชีพหรือกรรมที่เขาทำสั่งสมไว้ในระหว่างยังอยู่ในโลกมนุษย์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 เพราะว่าดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วก็คือบุคคลต้องได้ทำกรามดีเสีย ก, ก่อนและกรรมดีนั้นก็ต้องถึงขนาดที่สมควรจะมีบ้านรออยู่ในโลกทิพย์ได้ต่อจากนั้นก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในทางนี้ช่วยสร้างให้อีกด้วยในกรณีของข้าพเจ้าเองบ้านในโลกทิพย์ของข้าพเจ้าถูกสร้างรออยู่แล้วโดยจ้างผู้ชนานาญในการนี้ แล้วโดยมีเอ็ดวินเป็นผู้คอยชี้แจงแก้ไขช่วยให้บ้านนั้นมีรูปร่างและสวนทรงตามที่ข้าพเจ้าเคยชอบเมื่อดที่ข้าพเจ้าได้ทําความดีจนสามารถเลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ภูมิที่สูงกว่านี้ข้าพเจ้าก็จะออกจากบ้านหลังปัจจุบันนี้ไปและข้าพเจ้าก็มีสิทธิในการตกลงใจตามลำพังว่าจะยุบบ้านหลังนี้เสียหรือว่าปล่อยให้อยู่ไว้ตามเดิมเช่นนั้น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 เกี่ยวกับการสร้างบ้านสร้างอาคารนั้นโปรดเข้าใจว่านี่คือสภาพของสวรรค์ชั้นแรกที่ยังมีความยากอยู่พอสมควรจึงยังต้องมีการก่อสร้างด้วยการขอพลังจากเทพชั้นสูงกว่ารวมกับการใช้พลังของเทวดาในที่นั้นช่วยกันเนรมิดขึ้นมาการสวดอ้อนวอนก่อนทําการ ใ, ใดๆก็มักเป็นความเคยชินที่ติดปรจากตอนเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นไปได้ทั้งขอพลังจากแหล่งอื่นหรือเป็นการกระตุ้นพลังจากจิตของตนเอง เพราะศรัทธาที่แรงกล้าย่อมส่งให้ใจมีกําลังมากขึ้นส่วนใหญ่ผู้เชื่อเรื่องพระเจ้าท่านก็จะเชื่อว่ากําลังขอพลังขอพรจากพระเจ้าแม้ท่านตายไปอยู่ในสวรรค์ น, นานแล้วจะไม่เคยได้เจอเลยสักครั้งก็ตามในเรื่องการอธิษฐานหรือการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นดูรายละเอียดที่เป็นเหตุเป็นผลตามหลักพระไตรปิฎกได้จากหนังสือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยอาจารย์พรซึ่งจะจัดทําต่อไปนะครับ อธิบายอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อความเข้าใจแบบวิทยาศาสตร์มากขึ้นการขอพลังจากธรรมชาติหรือจะเข้าใจว่าเป็นพลังจากพระเจ้าก็ตามให้นึกถึงสภาวะพลังงานบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในทุกสรร พ, พสิ่งการฝึกจิตจนปราณีต ก, ก็คือการจูนพลังจิตของตนให้ใกล้เคียงกับพลังบริสุทธิ์นี้ถ้ามองพลังจิตเหมือนคลื่นวิทยุในช่วงต่างๆอาจเข้าใจง่ายขึ้นนะครับ ยิ่งจูนคลื่นให้ตรงกับพลังในธรรมชาติในระดับใดก็สามารถดึงเอาพลังงานเหล่านี้มาใช้หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวได้ตามแต่ระดับคลื่นที่เข้าถึงได้นั้นยิ่งละเอียดมากก็ยิ่งมีพลังมากในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็มีการค้นพบที่เรียกกันว่าอนุภาคพระเจ้าที่มีอยู่ในทุกอะตอมที่เชื่อกันว่าเป็นหล่งพลังงานในการก่อกํากเนิดทุกสรรพสิ่งคำอธิบายแบบนี้ อาจทำให้หลายคนที่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์พอจะวางใจกับสิ่งเหล่านี้ได้อีกระดับนะครับกรณีความรู้สึกยึดมั่นว่าสิ่งเป็นทิพย์ในสวรรค์มีความหนานแน่นเหมือนวัตถุก็กขอให้เทียบกับความรู้สึกในความฝันของเราทุกคนที่แม้จะเป็นแค่ความคิดยังเกิดภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้ไม่ต่างจากวัตถุของจริงในโลกได้เช่นกัน ในความฝันเราก็จะนึกว่าเป็นของจริงเป็นเรื่องจริงที่สมจริงมากจนเหมือนหลุดไปอีกโลกหลายครั้งก็ลืมไปว่าตัวเองเป็นใครเหมือนเกิดใหม่เป็นอีกคนที่แตกต่างกันสิ้นเชิงและโดยเฉพาะไม่รับรู้ถึงสภาพร่างกายที่กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงเลยบางทีฝันไม่ดีหรือฝันดีกว่าจะรู้ว่าไม่จริงก็เมื่อตื่นจากฝันมารับรู้สภาพจริงที่กาลังนอนอยู่ ลองคิดดูถึงความทรมานและความสุขในฝันนะครับที่เหมือนตัดขาดจากชีวิตจริงแล้วหากเราตื่นไม่ได้ไม่มีอะไรมากระตุ้นให้รู้สึกถึงความจริงเราก็คงอยู่ในสภาพนั้นไปนานแสนานานนั่นคือตัวอย่างของนรกสวรรค์ที่สัมผัสได้ด้วยใจการที่คนตายจำนวนมากไม่เชื่อว่าตัวเองตายไปแล้วโดวยเฉพาะหลายรายที่ต้องมีการหลับพักปืนก่อนชั่วระยะหนึ่ง แล้วพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าตนเองอยู่อีกโลกหนึ่งในสภาพแบดล้อมใหม่ที่หลายคนอาจจำชีวิตเก่าของตัวเองไม่ได้ว่าเคยเป็นใครด้วยซ้าไม่ต่างจากตอนที่ฝันแล้วจำตัวเองในโลกความจริงไม่ได้เหมือนกันอย่าลืมนะครับว่าคนตายแล้วกลายเป็นโอ ป, ปาติกะก็อาจอยู่ในสภาพหลับยาวนานได้หลายปีและฝันต่อนในการหลับนั้นได้ด้วย